พ่อพระมาศ า, าสดาตรัสไว้ในข้อสุดท้ายที่ใช้คําว่าอีกประการหนึ่งนะเป็นผู้ที่ให้นะบุคคลที่ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลายเป็นที่ตั้งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาสุราเมลายเป็นที่ตั้งความประมาทพิสูจทั้งหลายดีอาสาวกก็งดเว้นเนาะชื่อว่าไม่ให้ความไม่มีภัยนะ เราให้ความไม่มีภยัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแกสัตหาประมาณไม่ได้เราละตุนข้อนี้ได้เชื่อว่าเราให้เลยนะให้ความไม่ให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยนะแล้วก็คั้นให้ความไม่ม <ส Elizabeth. S 1> ีเวรให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนแก่ศสัตหะประมาณไม่ได้เป็นต้นตามลําดับแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้มีส่วนด้วยนะเนี่ยกรรมเหล่านี้ที่เรากระทาทั้งหมดเนี่ยมันอุปการละท่านผู้นั้นแหละ เราก็จะได้ความไม่มีภัยเราจะได้ความไม่มีเวรเราก็จะได้ความไม่ได้รับความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้อันนี้อันนี้สงไม่น้อยเลยนะหาประมาณไม่ได้เพกสูตรทั้งหลายนี้แหละเป็นทานประการที่ห้านี้เป็นมหาทานเนี่ยบันดิตรู้กันว่าเป็นเลิดมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นวงของพวกเราเป็นวงของพระพุทธเจ้า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 ขึ้นได้หรื อ, อยังอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งจักไม่ทอดทิ้งนะจักไม่ถูกทอดทิ้งสมณพราหม์รู้ว่าไม่ไม่คัดค้านนะพวกรู้เนะี่ยนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนําสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศ ด, ด้วยเราจะได้รูปที่เลิศได้เสียงที่เลิศได้กลิ่นที่เลิศได้รสได้สัมผัสได้ทาํามาลมที่เลิศ <c oughs> จะได้ของที่เลิศ นี่เป็นอย่างนี้มีสุขเป็นผลด้วยลำดับแรกก็คือในสุขติอะและเป็นไปที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะนี่เป็นประการที่แปดฉะนั้นไล่มาตามลำดับนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลของอริยวงศ์คือวงของพระพุทธเจ้าในบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะได้ดื่มด่ำรสของความสุขเหล่านี้เพราะเขา คิดเป็นใค่ควรเป็นเจริญกุศลเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลเป็นเนี่ยนะเขาฝึกอย่างเนี้ยแล้วเขาจะทำตอนนี้เขากำลังทำอลังการละกิจตบ ร, ริขาลังเนะี่ยเป็นบริขาระของสมถะหรือปัสนาอยู่นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะสมถะวิปัสนาเดินไม่ได้เดินยังไงก็เดินไม่ได้ล้มล้มแน่นอน พระเจ้ารับประกันไว้เลยในสูตรเนี้ยคุณล้มคุณจะขึ้นยังไงในพระธรรมคําสอนเนี่ยเอาที่ถ้าคุณเดินทานอกุศลศีลกุศลไม่ได้อย่างนี้นะหกล้มไปเถอะต่อให้ไปเข้าห้องกรรมฐา น, นให้ร้อยรอบก็ไปไม่รอดเพราะเพราะทานเอ่ยศีลเอ่ยเนี่ยไม่ฝึกพระเจ้าใช้คําว่าฝึกนะให้สังเกต ด, ดู บาลีดูพุทธพจน์เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งแล้วจะได้อู้พูดเนอะไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปที่มาใช่ไหมดูามาขยายไงดูเหมือนจะมาจะไม่ค่อยใช้คำพีรายละเอียดเพราะต้องใช้เวลาเยอะไงพอใช้เวลาเยอะก็อัทันตะมัทนังทานังอาทานังทันตะทูสกังเป็นต้นใช่ไหมก็คือตรงนี้ก็คือว่าการฝึกจิต ซึ่งยังไม่เคยฝึกชื่อวะทานการไม่ฝึกเป็นเหตุปัทุสลายจิตที่ฝึกแล้วตรงนี้อย่างหนึ่งนะในชั้นของคําว่าในชั้นคําสอนนะมาจากคําว่า อ, อในข้อในในชั้นคําสอนที่ท่านใช้คําว่านี่นะใน ก็บอกอีทางเมทานังทัตตังกาลยานังกาลยานอกิติสัทโธเนี่ยอภคขัดฉันตตีติทานังเทตินี่นะให้ทานเราคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศักด์อันงานย่อมกระจานไปตรงนี้นะท่านใช้คําว่าจิตตาลังกาละจิตตะไปขาระถังทานังเทติให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตเนี่ยตรงเนี้ยท่านใช้คําว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต เนี่นะเอาให้ยังไงพ่อที่แปดที่บอกให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตอันนี้ถ้าดูในทีคณิกายนมาในอัฏฐทานวัตถุวถัตถุคือทานวัตถุเหตุถึงการให้ทานแปดประการนะนี่ยฉะนั้นการตรงนี้นะ ในข้อที่แปดท่านใช้คำว่าจิตตารังการาจิตตะปริขารัทธังทานังเทติท่านใช้คำว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตตรงนี้พระอาจารย์ท่านมาขยายคำว่าจิตตารังาการาจิตตปริขารักังทานังเทติบอกว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนะี่ และเพื่อเป็นบริวารของจิตในไหนในสมถะและวิปัสนาก็แปลว่าถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกในกรณีตั้งแต่ฝึกจากการให้การฝึกการสละนี่นะเช่นไม่เข้าใจคําว่าเจตนาทานไม่เข้าใจวัตถุทานไม่เข้าใจอโลภาทานไม่เข้าใจ ว, าวิรติทานเป็นต้นเหล่าเนี้นะถ้าเข้าใจแล้วต้องระดมจริงๆไหมต้องระดมดังกล่าวเนี่ย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 การฝึกอย่างนี้เขาเรียกทําตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตทุกชิ้นน่ะตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตนั่แหละเขาเรียกฝึกฝึกจิตฝึกจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตเนี่ยนะนี่เขาเรียกฝึกตรงเนี้นี่แหละเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องปุงแต่งใช่ไหม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 มีกุศลจิตวิบาทเนี่ยเจ้าดวงไหนถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมให้สังเกตุด้ยเด่นน้อมเนี่ยน้อมถวายบ่อยๆทีนี้เราแล้วปริมาณทานกุศลนะวันวันหนึ่งเกิดมากไหมใช่ไหมอ๋อคือกรณีคําว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยก็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 กระตุ้นเตือนในที่นั้นก็คือชักนําสัมปยุทธธรรมชักนําสัมปยุทธธรรมก็คือการที่ว่าจะปรุงแต่งทําให้กุศลทําให้กุศลเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ก็มาพิจารณาเนะสภาพของเจตนาเนี่ยมายจากคาว่ากระตุน้นกระตุ้นสภาพที่เชื่อมทำที่เกิดพร้อมกับตนไว้ให้รมไม่ขาดก็หมายว่ากระตุ้นทำที่เกิดพร้อมกับตนสู่และสู่อารมณ์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 แล้วก็ศรัทธาทําให้เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยถ้าถวายเป็นพุทธบูชาเจตนาก็กระตุ้นเลยกระตุ้นปารบสีผ้าที่มีสีทองนะปารบฉับพันณรางสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอํานาจสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดารำฉับพันนรางสีสีทั้งหกใช่ไหม mm hmm. เพราะตัวหาทเยวัตถุเนี่ยผ่องใส ดินน้ำไฟลมที่หัตถยวส์ถูกอาศัยเกี่ยวข้องก็ผ่องใสด้วยที่สุดจริงๆการาชกายของพระบรมศารดาทั้งเส้นก็มีฉับพันนลังสีสว่างสวัยออกมาจากสีทั้งหกเราเห็นผ้าที่มีสีทองผ่องอัมภัยน้อมถวายว่าพระวรากายของพระบรมศา ส, สดามีสีทองผ่องอัมภัยเราจับนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชา ผ้าผืนนี้มีเสียงดังพลึบๆในขณะที่ลมถูกต้องกระทบใช่ไหมมีกลิ่นหอมจากการประพรมน้ำหอมเนี่ยนะมีมีโพธิภะใช่ไหมแล้วที่อ่อนนุ่มระษาส ต, ตอนตัวนั้นเราจะทำรารศาสตในที่นั้นก็คือรสของพระธรรมให้สว่างรุ่งเรืองแก่ผู้พบเห็นนะให้ทำมารม ก็คือความงดงามของผ้าผืนนี้ที่มีการยึดยองเพราะอาโปธาต์ยึดยองผ้าผืนเนี้ยเราจะปกคลุมภวรากายของพระบรมศาสดาน้อมบูชาอาสาธารณายานหกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธยายันสิบสี่เวนีิการทำสิบปดเวสารัชญาสี่พทศพลยยานสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเดินไปปารบในใจเดินไปอันนั้น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 เสียงกินลอสสัมผัสและทำมารมมเป็นบริวาร น, นั้นก็เลยกลายเป็นมโนโทานมโนมโนคือที่เป็นทานนกุศลเห็นไหมกายกรรมที่เป็นทานกุศลวัจจิกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานในกุศลก็ปรารบอย่างเนี้ยฝึกไหมอย่างนี้ฝึกจิตไหมเนี่ยฝึกเรียบร้อยแล้วและปุงแต่งเข้าใอย่างเนี่ยอะไละอันเดียวกันนั่นแหละ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 ไม่ใช่เป็นอกุศลออกมาเพ่นพ่านอีกนี่สำคัญมากตรงนี้อ่ะต้องต้องทำให้เกิดนี่แหละทานเป็นแบบนี้แหละอ้าวใครจะถามอะไรอีก พอได้ที่ยัง อ, อาจ า, า, า, าไไรย์ก็ทำให้การไข่ครวนต่างๆหยุดชะ ง, งักบุญไม่เกิดสภาพใจเสียใช่ไสภาพจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เดินไม่เดินต่อเนี่อาจย์บ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 เออที่ อ, อ่ะอ้ใช่ใช่เออเราได้ให้ไมให้ไม่ให้ไม่คาดดีกันเนียเออคืออย่างนี้นะอืมในกรณีแห่งการที่เราเราเราที่ว่าของถ้าเรามองอย่างนี้ก่อนเนาะ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 แต่เพื่อเอพื้นบุญของเราเนี่ยมันน้อยน้อยไปหน่อยเราก็เลยได้มาครอบครองเนี่ยในจักรวาลในในจักรวาลใบเนี่ยได้นิดเดียวแต่เราก็ยึดแล้วว่าเป็นของเราพระาศาสดาจึงบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่ดีเธออย่าเป็นอมิสธาญาตของเราเลยจงเป็นธรรมทาญาตของเราเถอะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยสรุปแล้วว่ามันเป็นบุญของพระศาสดา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 แต่ว่าแต่ว่ามันบาปในพื้นที่บุญของเราในพื้นที่บุญของเราบนพื้นที่บุญของพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้บาปในพื้นที่บุญของเราในในบนพื้นที่บุญของพระพุทธเจ้าต้องมองให้เห็นมันหลายชั้นใช่ไหมชั้นจริงๆเนี่ยคือของพระพุทธเจ้าจริงๆ เราต้องยอมรับตรงนั้นทีนี้ใช่ไหมเราถวายพระพุทธเจ้ากายและชีวิตถวายเราก็ยังเอากายและชีวิตของพระเจ้ามาใช้อยู่เลยและเราบาปไหมมันบาปหรือไม่บาปมันอยู่ตรงที่ว่าให้บุญหรือให้บาปเกิดชัดยังไงเนี้ยมันอยู่ที่ให้บุญเกิดหรือให้บาปเกิดมุมเนี้ยเวลาพูดต้องขยายเดี๋ยวจะหาอามานิพูด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 เป็นเรื่องต้องควัวความเข้าใจต้องมองมองทั้งทั้งสโคบทั้งหมดเลยเนี่ยนะมองทั้งวงกว้างแล้วขยายลงมาเล็กได้แล้วขยายใหญ่ได้จริงๆต้องมองภาพให้ชัดและจะรู้จักบุญของพระพุทธเจ้าถ้าหากมองไม่เห็นอย่างเนี้ยพุทธคุณไม่เดินเดินไม่ชัดเดินแล้วก็ติดขัดมันต้องเห็นอย่างนี้อันนี้เห็นโดยคําสอน เห็นด้วยคำสอนถ้าเข้าใจอย่างนี้เบสเสร็จแล้วตอนนี้จะได้ศรัทธานี่เชื่อแล้วมั่นว่าเออเราอยู่บนพื้นที่บุญของพระผู้มีพระเจ้าจริงๆและที่จริงๆเนี่ยเราก็รู้เห็นๆคนที่ถวายหลักฐานก็ชัดก็ตามมาตามลำดับก็เยอะเอามาพยายามไม่กล่าวไปถึงบุญของพระุทยา ก, ก่อนใช่ไหม ต้องการกล่าวมาหลายที่ว่าเออพระเจ้าอาโศกถวายนะไล่มานะพระเจ้าเอาเทวานามิยะดิสาพุ ท, ทธในแมกษัตริย์ทุกๆประองค์มาจนถึงพระเจ้าตากเสด็มาก็ไล่มาตามดับแต่เป้าหมายจริงๆคือของพระพุทธเจ้าจริงๆถามว่าถ้าคนเขาไม่ได้ทําบุญมาจะมีใครถวายไหมทําไมเท้าสักกะยกเมืองท่านถวายทําไมเท้ามหาพมอ่ะร้อยพ ร้อยเมืองของท่านถวายฟันเขาเซเนรุทําเป็นยอดฉัดถวายเป็นพุทธบูชาเขาทากันมาหมดแล้วมันเหลือพวกเรานี่แหละไปยึดของเล็กๆแล้วเป็นของเราของเราอยู่เนี่ย<ม>ใช่ไหมเอามาคล้องคอแค่ น, นี้ยึดไม่เปยยึดเนะี่ยมันเป็นบาปแต่จริงๆแล้วคือสมบัติของเริ่มชัดหรือยังแต่เนี้ย<ม>พอจะโลง่งฮะ เอออย่างนั้นคอยอีกชเออคอยอีกช่ <c oughs> นี่ยอมพิทยาอ <c oughs> ย่าอย่ายืมนาน <c oughs> <c oughs> ไม่ต่อไปเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอามิตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราเป็นลูกเรามีสิทธิ์ใช้มรดกของท่านเรียงมาย้ำมาตลอดไง แต่อย่าติดในสมบัติของเราเลยเราไม่ปราถนาเธอทั้งหลายเป็นอมิตรสถานาติเราปราถนาเธอเป็นธรรมทายาตฉะนั้นพ่อไม่หวงคือพระเจ้าท่านไม่หวงหรอกเพราะเราเป็นลูกท่านใช้ได้เต็มที่แต่อย่าผ่านสมบัติพ่อใช่ไหมคืออย่าให้เอาอย่าเอาสมบัติพ่อเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดบาป ดีไม่ยอมตุม้มกลับไปไปมองสมบัติทั้งหมดว่าเป็นของพระเจ้าจริงๆได้หรือย่างปรงใจได้ด้วยนะใช่ไหมยังไม่ยอมโปรงอีกขนาดพูดกันแบนี้อ่ะ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 เออคืออย่างนี้แต่เราต้องเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเออไม่เป็นไรเอามาเปลี่ยนเป็นบุญพระเจ้าถึงบอกไงบอกว่าเมื่อได้สมบัติมาด้วยลำแข้งด้วยเลี่ยงแรงใช่ไหมด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความชอบถามได้มาโดยทำแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขสุขในที่นั้นสุขที่เป็นไปก็กุศลให้เป็นให้เป็นจารีศีล เลี้ยงพ่อแม่บิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรรยาเบ่าไพาใยยา่ให้เป็นสุขเลี้ยงญาติมิตรให้เป็นสุขนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาอ่างโพกทรัพย์ข้อที่หนึ่งอามาต้องเอามาก่าวอีกห้าข้อไว้เนี่ย <c oughs> โอ้ยลำบากเลยเดียวนี้ <c oughs> ที่จริงออกมาไม่ได้เตรียมมาในพูดเนี่ยแล้วมีใครให้ออกมาพูดเรื่องทานนาัะขาไปแล้วที่พอสดร่เนี่ย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 มันมันจะเป็นได้ไงเพราะว่าเรามีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเราเป็นลูกแต่ให้ตํำหนักสนักในคุณของพระศาสด า, ศาอันนี้ไม่ใช่โดยนิจในใช่ไหมเออไม่ได้โดยกฎหมายตัวนี้ไม่ใช่กฎหมายบ้านไอ้บ้านเราครอบครองไว้อโดยกุศลกรรมอกุศลกรรมนู้นเพราะตัวนนี้เป็นบุญของพระพุทธเจ้าเป็นผลบุญของพระศาสด า, ศ า, ศา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 คือคารวะก็มีอาชีพคารวะพระก็มีอาชีพของพระใช่ไหมถ้าเป็นคารวะพระ อ, องค์ก็อนุญาตอาชีพอีกอย่างเห็นไหมที่ทำมิกระ ท, บ, ะทบประโยชน์เนี่ยพระเจ้าก็อนุญาตอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชพวระเจ้าก็อนุญาตอาชีพของนักบวชได้ปรีน่องได้เลี้ยวแรงได้ล้ำขาเหมือนกันอานมาก็ต้องใช้ปรีน่องเนี่ยที่ไม่เดินออกไปหาทรัพย์อาชีพนักบวชแต่ถ้ า, ามาเดินออกจากอาชีพนี้มาก็ต้องไปทําเหมือน ต้องเดิดานั่นแหละต้องงอกๆอกงอกไปเหมือนกันตอนนี้อมาก็งอกงอกงอกเหมือนกันนะตื่นขึ้นตอนเช้าเนี้ยก็ต้องถือบาตอุ้มบาตไปแต่มาก็ไปทํากิจในการที่ตามอริยวง์ใช่ไหมไปยืนไปยืนอยู่เฉยๆนันะ่นะแหละนี่แหละพระเจ้าก็ให้วิธีคิดวิธีเดินวิธีไข่ควรวิธีวิจัย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 ใช่ไหมไม่รอดหรอกเราก็จะไม่รอดจากวตาไงนั้นต้องพ้นอาศัยพ่อเท่านั้นเราถึงจะพ้นจากสังสารวัฏเป็นต้นได้เ<ม>พราะจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างเงี้ยคือคือเวลาพระบรมาศาสดาตอนที่ท่านเป็นจกักรพรรดิีราชปกครองทวีปทั้งสี่ ท่านถวายท่านปราถนาสัพพัยุตยา น, น, นั่นเห็นชัดเลยเวลาท่านยกพื้นแผ่นดินสละเพื่อบำเพ็ญเล่ขัขมา น, นั่นแหละกี่ครั้งท่านใช้คำว่าบุญที่ทำให้ท่านได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยนับไม่ได้โอ้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วว่าจะเห็นชัดว่าพระบรมศาสดาปกครองทวีปทั้งสี่ ทวีปน้อยสองพันบริวารสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยเป็นใครสงสัยอะไรก็ถามเลยนะเพราะเราต้องการอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เข้าใจพระทา น, นบา ร, รมีของพระเจ้าเพื่อเราพูดถึงทานเนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแล้วแต่นี้เราจะได้เข้าใจว่าเกิดจากบุญของพระเจ้าแต่พระเจ้าสลักทิ้ง เพราะสละทิ้งเนี่ยได้ก็สละได้ก็สละใช่ไหมพระศาสดาได้ฐานะจักรพัดิราชมากี่กี่โกฎดั้งกี่พันโกดั้งกี่ล้านโกดั้งแล้วสรุปแล้วก็คือปกครองเนี่ยจักราวาลกับโลกทั้งหลายเนี่ยนะคือจักราวาลทั้งสี่บริวาร น, น้อยใหญ่สพันวินบริวารเนี่ยแล้วก็บำเพ็ญเนค ข, ขมาเฉยเลยก็แปลสละใช่ไหมต้องน้อมถวายท่านปรารถนาสัพพัญญตาญาน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 เราเป็นเราเป็นอุบาสิกาของพุทธเจ้าเราก็เป็นเมื่อเราเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลยมารับอาหมิสมรดกของพุทธเจ้ามีสิทธิ์รับอาหมิสมรดกของพระาศาสดาอ้าตอนนี้รับแล้วทีนี้เราจะใช้มรดกของพระาศาสดาโดยฐานะโดยความเป็นให้กินให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะให้ราคาโทสามโมหะมาฉาบติดไหม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 นี่พวดเราใจยมตุม<笑><笑>้ม่เพราะจริงๆอย่างเี้ยพอทนไหวใช่ไพอทนไหวก็คือสี่ห้าไงก็เราแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นสู่ธรรมนาวาเนะคือปัจจุเวกขนาดสุดที่เนะไม่ใช่ไม่ขึ้นสู่ธรรมนาวาเลยตอนนี้เรายืนอยู่บนเราอยู่บนเกาะเล็กๆเนะ่ะเกาะเล็กๆบนพื้นทยของอามิตร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 มันจะต่ํากว่าทะเลกี่เม็ดแล้วเนี่ยนี่ไม่ปลอดภัยจริงๆใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ก็ขึ้นสู่นาวาสิขึ้นสู่นาวาเสียตอนเนี้ยคือปัจจวิขนาดสุดธิเพราะตอนนี้เราได้ปฏิโมกทั้งวรนศีลแล้วใช่ไหมเดินได้คล่องหรือยังยังไม่คล่องอีกทานก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเดินศีลก็ตะกุกตะกักดีเนี่ยเดินให้คล่องเสียตอนเนี้ย เราจะได้ขึ้นสูนนาวาแห่งการพิจารณาปัจจัยสี่จะได้ไม่ติดข้องด้วยตัณหามานะทิฐิใดๆแล้วมันดได้ใส่ไปเพื่อไม่ใช่เอานางวิสาขาใช้เครื่องประดับไหมแล้วนางอวดไหมนางไม่ได้ไปอวดนแนะ่ๆนางใช้โดยฐานะว่านางมีทรัพย์นางใช้ยังไงแล้วทําไมนางวิสาขาจึงใช้มรดกของปฤยยาเพราะนางเข้าใจอย่างอย่างที่พูดนี่ไง จะเป็นบุญของนางส่วนหนึ่งใช่ไหมนางเป็นบุตรนี่เป็นทายาทของพระศ า, ศาสดานางก็มีสิทธิใช้อามิสสมรดกของพระ อ, องค์สิแต่นางไม่ได้ใช้ด้วยมีกลิ่นคาวของกิเลสมาบวมาฟุ้งเหมือนชาวเราท่านทั้งหลายอาจารย์บอลอาจารย์บอลเออวัา แ น, นแน่นอนแนต่แน่นอนลแน่นอนตรงนี้ น, นะนนอ๋อาาดดดคือพระพุทธเจ้าจะสอนไงว่าต่อมาให้สังเกตุไหมที่บอกว่าดูก่อนอชาวสักยะที่ใช้คำว่าเธ อ, อ, อรักษาอุโสดาสีนกันบ้างไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะนั่นแหละนั่นแปลว่าอะไรว่า เออบางคราวก็รักษาบางคราวก็ไม่รักษาทําไมเธอจึงประมาทเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งอย่างเงี้ยไอ้ น, นี้เขาเขาฝึกไหมล่ะก็คือฝึกนั่นแหละคือการฝึกในการที่จะขัดเกลาใช่ไหมฝึกในการที่จะขัดเกลาในการที่จะอบรมฉะนั้นการฝึกต่างๆเหล่าเนี้ยจึงเป็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่จะเจริญกุศลฉะนั้นเนี่ย กรณีอย่งการที่เขาฝึกในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยเนี้ยก็หมายความบอกว่าเขาเริ่มเล ย, ยอ่าเริ่มไม่ไม่กินข้าวเย็นไม่ใช้เครื่องประดับบางท่านกระถายขนาดเดินฝึกไปจนถึงศีลสิบแต่งครั้งเลยนะเห็นไหมศีลเก้าศีลสิบกันเลยแหละฉะนั้นเขาก็เดินของเขาเหตุผลในกรณีอย่งการที่เดินเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะพระศาสดาบอกว่าวันพระ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 แค่นั้นแต่เราก็ทำบุญมาเรามีสิทธิ์ยึดเป็นของเราอยู่นี่ <Yeah. S 1> เมือกิเลสมันก็จะเริ่มเรียนรู้เงี้ยใช่ <c oughs> ก็ตรงนี้นี่แหละบอกว่าโดยหลักการก็คือเราไม่ได้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในต่อเนื่องนี้ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็คือถ้ า, อามองในลักษณะ น, นี้ <c oughs> ก็อย่างที่ประเด็นที่ทางไม่ขีถาใช่ไหมถามเกี่ยวเรื่องว่าเออเออจะคิดยังไงนยที่ประเด็นต่างๆนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่า คือด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาท่านได้มาก็สละได้มาก็สละได้มาก็สละก็คือท่านคายทิ้งท่านถึงบอกว่าขันเกลือกลกลัว่วกับสมบัติเหล่านี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสธายาทของเราเลยอันนี้แปลว่าชัดเลยนะเพราะเรามีความอนุค้อแก่เธอทั้งหลายว่าจงเป็นธรรมธายาท่าเป็นอมิสธายาทนั่น แ, แปลว่าไม่ให้ยึดติดแต่ตรงเนี้นะเมื่อพระบ ร, รมศาสดาเนี่ย มากระทาในลักษณะอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเออเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมความใกล้ชิดพระระัตนาใจเขากใกล้ชิดโดยฐานะทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจขับเน้นตรงไหนเออนั่นแหละใจนั้นมีความใกล้ชิดมีความแนบแน่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ค, คือว่าถามใจตัวเองว่าเรารักพระพุทธเจ้าไหมรักไหม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 ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของพระ <steals. S 1> พุทธเจ้าคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระพุทธเจ้าเช่นรูปปั้นที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งมหาปุริสละขนาะทั้งอนุพยัญชนะทั้งหมดทั้งนามธรรมที่เริ่มตั้งแต่พยานของพระพุทธเจ้าถ้าเหมือนที่เขาถามบอกว่าพยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมพยานเป็นพระพุทธเจ้าหรือ คุณคุณเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรเป็นพระุทธเจ้าอาที่เขาตั้งประเด็นนะ่อะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะอะไรดีอรหัตธรรมขยานสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไห ม, ไหมเอาถ้าสัพพัญยุตยานก็ได้แก่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหน นี่ไงใช่ไหมมหากริยาญาณ่สัมปยุตสี่ดวงเนี่ยใช่ไหมพยานในที่นั้นได้แก่ปัญญาปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมปยุตตรงนั้นใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่เอาอยัางไงเดี๋ยวต้องดูพระพุทธเจ้าให้ชัดก่อนวันนี้ถ้าไม่ชัดก็นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้แหละใครมาชวนให้ออกจากห้องบอกยังไม่ออก ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าเล่าใครเป็นพุทธเจ้าพายานคือสัพพัญญุตยานใช่ไหมเจอมั้ยทีนี้พายานของพระสัมมาสมพุทธเจ้าเพราะปัญญายานสัพพนุตยานแล้วมหากริมหาปัญญาที่ในอรัฐมัรคเป็นพระพุทธเจ้าไหม <AM EN. S 1> เป็นเขาเอางนะสัพพัญญุตยานพยานเป็นพุทธเจ้าใช่มั้ยและ พยานในที่นั้นคือปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นขันอะไรเป็นสังขารละขันปัญญาเป็นสังขารละขันทำที่สัมปยุญกับพยานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเป็นไม่เป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันที่สัมยุญกับปัญญาเป็นพระพุทธเจ้า <dem>. ด้วยไหมเอาเป็นนะ <en Mini> เอาแล้วแต่เนี้ยถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอย่าพึ่งเดินออกจากห้องนี้ ด, ดีไหมดีไม่ดีมีกำลังถามว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพยานใช่ไหมถ้าพยานก็มีสองใช่ไหมตอนบรรลุครั้งแรก อนุตตรสัมมตอนบรรลุนี่ยได้อรหัตมรกายานที่ใต้ต้นพระสีมหมาโพก็ได้แก่ไหนปัญญาในอรหัตใช่ไหมทําการสมุดเฉธาประหารใช่ไหมแล้วต่อมาคุณทั้งปวงคืออาสาธรณาัยาณหกมีสัพพัญญุตยานเป็นต้นฉะนั้นสัพพัญญุตยานในที่นั้นได้แก่มหาปัญญาที่ในมหากริย า, ยานาสม ปัญญาใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมปะยดเป็นพระพุทธเจ้าทำที่สัมปะยดกับมหากริยาญาณสัมปะยดเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไห ม, ไมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วมสัพพัญญตญาณอาศัยอะไรเกิดอาศัยหาทิยวัตถุ อาทยาวัตถุอาศัยอะไรเกิดมหาพูดสรุปแล้วมหาพูดและอุปาทายาลูกที่ประดับโดยด้วยมหาบุริสละขนาะสามสิบสองประการและอนุพยัญชนะแปดสิบเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันที่รวมกันเป็นขันห้าเป็นพุทธเจ้ า, างั้นใช่หรือไม่โดยหลักจริงๆนะคาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงตัวสัพพัญยุตยาน ศัพเนี่ยคำว่าสัพท์พญายานเนี่ยเป็นใชน้ท่านใช้คำว่าราชาอาคโตพระราชาสเสด็จเนี่ยแปลว่าองค์คาพยพตามมาด้วยไหมฉะนั้นเมื่อสัพท์พญายานไปนะที่ไหนสัพท์พญายานกระทบกระแสขันของโยมกิ่งการตรวจสอบปุ๊บเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกับสัมพยุพญายานนั้นกระทบด้วยไหมผ่านหัตถยาวัตถุ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 อรหัตมัคคยานสร้างมาใช่ไหมเอออรหัตมัคคยานนั่นแหละสร้างมาพระคุณทั้งหลายสพัญยุตยานา น, านาวรณนายานินทริยปรโรปริยัติยานอาสยานุสย า, ยานใช่ไหมอินตรียาอินตริยาเนออินตรียาปรโรปริยัติยานแล้วก็มหากรุณาสมาปฏิยานยะมะกะปฏิหาริยานเนี่ยอาสาตรณนายานหก พุทธยาณสิบสี่เวนิกธรรมสิบแปดเวสาลัชยา4สี่พระทศพรลยานสิบเป็นต้นใช่สรุปล่ะคือสมาบัตสองล้านสี่แสนโกฎสมาบัตแยกออกทั้งเป็นสายของสมาบัตทั้งที่สายของวิปัสสนามาชุมประชุมรวมกันแต่ละวันเนี่ยที่พระาศาสดาทรงใช้สอยเนี่ยพยานต่างๆเหล่านี้ที่โลดแล่นในกระแสขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเนี่ย นี่เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพยานเหล่านี้อะไรให้มาพุทธคุณเหล่านี้อะไรให้มาบอกอาราธมกขยานอาราตมกขยานที่ได้นะที่วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำปชิมมายามยังไหมเดือนหกวันได้ตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละให้มาและและอาราตมกขยานเนี่ยอะไรให้มาอะไรสร้างมาอะไรดี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 ในกรณีที่เห็นความเป็นไปของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยนะโดยความเป็นอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาเนี่ยนิพิทานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสขานุ ป, ปนัสนาแสดงว่ากระทบเยอะมากเพราะปริมาณของวิปัสสนาญาณของพระเบรมศาสดานั้นจะต้องมีอรรมารามณนะปัจจัยกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ใช่ไหม นั่นแหละมหาวิปัสสนาญาณเหล่านั้นแหละสร้างมาสร้างอาราธมัตจึงไม่ใช่อาราธมัตที่ธรรมดาอย่างภาษาวกหรืออาราธมัตรธรรมดาอย่างพระปฏิเจกาพพุทธเจ้จาแลแปลว่าพิเศษมากกว่าไหมเทนี้หมายปัตสัญญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้างมาสมาบัตไงสมาบัตเนี่ยนะโอ้สมาบั ต, น, บ ต, น, บ ต, น, บตนั่นแหละ สมาบัตทั้งแปดนั่นแหละทั้งรูปปนะัจจาะรูปปัจจานทั้งหลายมากไห ม, มฉะนั้นสมาบัตของพระบรมาสารดานี่ยแม้แค่กระสินเนี่ยนสีทุกสีเนี่ยพระองค์นั้ น, เ, นเอาเป็นที่เข้าอยู่สมาบัตได้หมด น, ะนี่คือพระเจ้าอ่ะอย่างเราขอสักสีเหลืองสักสีก็ไม่ได้ใช่ไหมที่จะเป็นที่ตั้งของอัปนาสมาธิเนี่ยคือเราไม่สามารถจะพาะเอาสีเหลืองเนี่ย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 ใช่ไหมลองเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยสิ